การมาวัดก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้มาวัดก็มาหาวิชาความรู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความรู้ที่ได้จากวัดเป็นความรู้ที่ไม่มีไม่มีสอนตามโรงเรียนต่างๆความรู้ ที่ทางวัดสอนเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ที่สอนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเพราะความรู้ที่โรงเรียนต่างๆสอนเป็นความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่สุขสบาย แต่ไม่มีความรู้ที่จะให้สอนให้รู้เรื่องของความทุกข์ความสุขของทางจิตใจถ้าอยากจะรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจนั้นอยู่อย่างไรก็ต้องมาที่วัด ทางวัดนีจะมีความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกถึงแม้เรียนจบปริญญาเอกก็ย<ม>ังไม่สามารถที่จะกําจัดความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นความรู้ที่เอามาใช้กับการเลี้ยงดูร่างกาย แต่ไม่สามารถมาเลี้ยงดูจิตใจให้อยู่สุขสบายเหมือนกับร่างกายคนที่มีความรู้ทางโลกอยู่ดีกินดีทางร่างกายแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายอยู่จิตใจยังเครียดยังทุกยังวิตกยังกังวลยังหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่ความรู้ทาง โลกไม่สามารถกำจัดได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้ความรู้ทางโลกจึงเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ทำประโยชน์ได้เพียงครึ่งเดียวของชีวิตของพวกเรา ชีวิตของพวกเรามีสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจความรู้ทางโลกนั้นจะดูแลเรื่องทางร่างกายให้ร่างกายอยู่ดีกินดออีมีสิ่งที่ร่างกายต้องการก็สามารถหามาได้ อ, อย่างไงไ่ายดายถ้ามีความรู้ทางโลก เรียนจบก็ไปหางานทำได้หางานทำก็มีรายได้มีรายได้ก็เอามาซื้อของที่ต้องนั่งการต้องการได้ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคเนี่ยนี่คือสิ่งที่ความรู้ทางโลกทำได้ แต่ความรู้ทางโลกไม่สามารถมาทำให้ใจเราสบายไม่มีความวุ่นวายใจไม่ได้ใจเรายังวุ่นวายอยู่ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายเพียงไรก็ตามใจเราก็ยังวุ่นวายยังดียังเสียใจยังเครียดยังวิตกยังกังวลยังหวาดกลัวยังเศร้า ยังเศร้าใจยังยังว้าเววนี่คือสิ่งที่ความรู้ทางโลกไม่สามารถที่จะกำจัดได้ต้องอาศัยความรู้ทางธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดความเครียดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้ น, นี่คือความรู้ที่พวกเรามาหากันถ้าเราสนใจเวลาเรามาวัดเราตั้งใจฟังแล้วนำเอาคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดกันมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าแสางสว่างแห่งธรรมถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมธรรมก็คือ ความสว่างที่จะมากำจัดความมืดบอดที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่ทำให้พวกเรามีความทุกข์ใจกันความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความมืดบอดของใจเองเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดถ้าไม่มีคนนาทางเดินไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็จะต้อง ไปประสบกับอุบัติเหตุต่างๆพ่อมองไม่เห็นเดินไปข้างหน้าอาจจะเดินไปชนกับเสาเดินไปชนกับต้นไม้เดินไปชนกับรถหรือเดินไปเหยียบของแหลมคมหรือไปตกลุมตกบอ่อพอไม่มีตามองไม่เห็น ถ้าเดินไปแบบดับตาเดินอย่างนี้โอกาสที่จะต้องไปพบกับาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็วจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉั <c oughs> นใดใจก็เป็นเหมือนขนตาบอดใจของเราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแต่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิด ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นความคิดที่มืดบอดคือคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงคิดเหมือนกับคนตาบอดคิดว่าข้างหน้าไม่มีต้นไม้ก็เดินไปแต่ความจริงมันมีต้นไม้อยู่พอคิดว่าไม่มีต้นไม้เดินไปก็เดินไปชนต้นไม้ เดินชนต้นไม้ก็เจ็บตัวเลยคิดว่าข้างหน้าเป็นทางเรียบไม่มีหลุมไม่มีบ่อพอเดินไปก็ไปตกหลุมตกบ่อพอมองไม่เห็นความจริงเห็นไปเห็นตามความคิดของตนเองนี่คือใจของผู้ที่ไม่มีธรรมะจะเป็นใจที่มืดบอด จะเป็นใจที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรานี่คือความมืดบอดของใจที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันทุกข์ใจกัน เสียใจกันหวาดกลัวกันเกิดจากความมืดบอดเกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นสิ่งที่เป็นทกว่าเป็นสุขเหมือนกับเห็นงูพิษว่าเป็นปลาไหลพอเห็นว่าเป็นปลาไหลก็อยากจะจับมากินพอไปจับปลาไหลที่ละที่พอไปจับปลาไหลที่คิดว่าเป็นปลาไหล แต่มันเป็นงูพิษพอไปจับงูพิษก็เลยถูกงูพิษกัดตายน้อยนี่คือมองไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจของเราก็เลยแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์กันเพราะสิ่งที่ใจต้องการก็คือความสุข ทุกคนต้องการความสุขใจกันเวลามีความสุขใจมันดีกว่ามีความทุกข์ใจเวลามีความทุกข์ใจเหมือนกับมีใครมามาบีบหัวใจเวลามีความสุขใจนี่เหมือนใจลอยอยู่บนท้องฟ้าใจเบาใจสบายแต่เวลาใจทุกข์นี่เหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ เราจึงไม่ต้องการความทุกข์กันเราต้องการแต่ความสุขกันแล้วทําไมเราจึงต้องมาเจอความทุกข์กันออมีใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์ยกมือขึ้นมาหน่อยมีใครบ้างมีแต่ความสุขใจสบายใจออสุขหนอสุขหนอหรือทุกข์เนอทุกข์เนอะบ่นอยู่ทั้งวัน บ่นเรื่องนั้นบ่นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ก็เพราะเราคิดว่าเขาเป็นสุขเราก็เลยไปหาเขาพอไปหาเขาไปเกี่ยวข้องกับเขาแทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขาก็เลยให้ความทุกข์กับเรา เห็นเห็นงูพิษเป็นปลาไหลก็เลยไปเล่นกับปลาไหลไปเล่นกับงูพิษคิดว่าจะได้จับงูพิษนั่นมาทำเป็นอาหารคิดว่างูพิษมันเป็นปลาไหลมันจะไม่กัดเราพอไปเล่นกับมันไปจับมันเข้าก็เลยโดนมันกัดเอาอันนี้คือความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นสุรายาเมา ว่าเป็นเครื่องดื่มที่จะดับความทุกข์ใจได้คนเราเวลาไม่สบายใจก็ไปเข้าบาร์เข้าผับกันไปดื่มสุรากันทำงานเครียดเลือกจากงานก็ไปหาสุราดื่มกันเพราะคิดว่าสุราจะดับความเครียดได้แต่ทำไปทํามาก็ไปติดสุราเข้า ดื่มสุราบ่อยๆก็ติดสุราพอติดุรดาแล้วก็เ่อเกิดโทษตามมาถ้าดื่มสุรามากๆก็จะมึนเมาจะทำให้ไม่สามารถไปทำงานทำการได้แทนที่จะไปทำงานก็ไปดื่มสุราพอดื่มสุราเมาจะไปทำงานก็ไปทำไม่ได้ เสียงานเสียาการเสียเงินทองพก็ต้องใช้เงินซื้อสุรามาดื่มดื่มแล้วก็เมาเมาแล้วก็ไปหาเงินหาทองไม่ได้ก็มีแต่จะเสียเงินเสียทองไปเรื่อยๆหรือถ้าทำงานก็ทำไม่ได้เต็มที่ทำไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ทำได้นิดหน่อยเดี๋ยวก็ อยากจะเลิกอยากจะไปดืม่มโซราแล้วพอทําอะไรเกิดความเครียดขึ้นมาหน่อยก็อยากจะไปดื่มสุราเพื่อระบายความเครียดนพอดื่มแล้วก็จะมึนเมาก็จะไม่สามารถทํางานต่อได้การดื่มสซลานี่ยเสียหลายอย่างเสียเงินทองเสียเวลาเสียงานเสียการ เสียสุขภาพสุขภาพจิตก็เสียมีอาการมึนเมาทำให้ไม่มีสติสตังเป็นคนเสียสติไปชั่วคราวเวลาดื่มสรามาแล้วก็มักจะอาละวาดไปทำร้ายผู้อื่นไปพูดจาหยาบคายอันนี้ ความเสียหายที่เกิดจากการดื่มสุราแล้วก็ทําให้ร่างกาย เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษของสุร า, าดื่มสุราแล้วต่อไปก็จะเป็นโรคกระเพาะโรคตับโรคไตโรคตับแข็งแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอย่างอื่นหมอจึงห้ามไม่ให้ดื่มสุรากัน ถ้าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอนี่ตัวอย่างทำไมคนเราถึงไปไปดื่มสิ่งที่เป็นพิษกับตนเองก็เพราะไปคิดว่ามันเป็นประโยชน์คิดว่ามันดื่มแล้วทำให้สบายใจคลายเครียด เ, ยเวลาคนเครียดนี้มักจะไปดื่มสุรากันเพื่อคลายเครียด อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นวิธีที่คลายเครียดที่ถูกวิธีที่คลายเครียดที่ถูกนี้ต้องต้องศึกษาดูต้นเหตุของความเครียดว่าเกิดจากอะไรเราเครียดกับงานกับกา ร, การงานเราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเราทาไมจึงต้องมาเครียดกับงานเครียดเพราะว่า ทำไม่สำเร็จใช่ไหมหรืออยากจะให้มันได้ผลดีแต่มันไม่ได้ผลดีเราก็เลยเครียดกับมัน เ, เราก็ต้องดูว่าแล้วเราทำาอะ ไ, ได้หรือเปล่ า, าทำให้มันดีได้หรือเปล่าทำให้มันสำเร็จได้หรือเปล่ า, าถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงทำไม่ได้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร ก็ไปหาทำอย่างอื่นที่ง่ายที่เราทำสำเร็จได้เราอาจจะไปเลือกงานที่มันยากกว่าความสามารถของเรายากกว่ากำลังของเราที่จะทำให้สำเร็จได้เราก็ยอมรับความจริงเสียก็หมดเรื่องก็เปลี่ยนงานไปทำงานที่มันง่ายที่เราทำแล้วสำเร็จมันก็ไม่เครียดแต่บางทีความอยาก ที่จะได้รับประโยชน์จากงานนั้นมันจึงทำให้เราเครียดคืองานนี้ทำแล้วจะได้รายได้มากเราต้องการรายได้เราจึงไปทำงานที่ยากพอทำยากแล้วมันไม่ได้แทนที่จะได้อาจจะต้องเสียอาจจะต้องขาดทุนแล้วเมื่อทำไปแล้วก็อถอยหลังไม่ได้ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ขาดทุนถ้าไทยเหตุผลก็ต้องมองความจริงถ้าไปเดินข้างหน้าไปไม่ได้ก็ต้องขาดทุนอยู่ดีตอนนี้ถ้าไม่ไปก็ขาดทุนอาจจะขาดทุนน้อยกว่าก็ยอมขาดทุนดีกว่าแล้วก็เลือกงานนั้นไปมันก็จะไม่เครียด พยายามยาามรับว่ารายได้ที่เราต้องการนี้เราคงจะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปหางานอย่างอื่นที่จะทำให้เราได้รายได้ที่เราต้องการอาจจะน้อยหน่อยแต่ได้แน่แน่เช่นไปเก็บขยะนี่ได้แน่แน่เอาขยะไปขายเนี่ ย, ยตามข้างถนนเนี่ยเดินไปเถิดมีซับอยู่ข้างถนนเยอะแยะไปหมด มีขวดพลาสติกมีของที่คนใช้แล้วทิ้งอยู่ข้างทางาถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดเมื่อเราไม่สามารถหาไรายได้าจากงานที่ยากเราก็หาไรายได้จากงานที่ง่ายก็ได้นียกตัวอย่างต้องใช้เหตุผลที่เราเครียดเพราะเราอยากให้มันสำเร็จ นะฮะมอไม่สำเร็จมันก็เลยทําให้เราเครียดแต่ถ้าเรามองว่าทํายังไงมันก็ไม่สําเร็จก็ยอมเปลี่ยนใจเสียก็หมดเรื่องว่าถ้าไม่สําเร็จก็ไม่เอาก็ได้เมื่อไม่เอาก็หายเครียดหายเครียดก็ไม่ต้องไปดื่มโซดาเพราะการดื่มโซดาไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเป็นเพียงแต่เป็นการหนีปัญหาชั่วคราวเอ พอเครียดกับเรื่องงานเรื่องการคิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการแล้วก็เครียดก็เลยไปดืมด่มโซราพอดื่มโซราแล้วมึนมึนเมา ม, มันก็เลยลืมเรื่องที่ทำให้เครียดไปแต่เดี๋ยวพอหายจากการดืม่มโซราต้องกลับไปทำงานก็ไปเจอเรื่องเครียดใหมก่ก็จะหนีมันใหม่หนีไปดืม่มโซราใหม่นี่ ปัญหาของพวกเร า, าพระเจ้าบอกความเครียดต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของเราอยากเกินความสามารถของเราอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้หรือหามาได้ก็เราก็เลยเครียดกันหรือบางทีเครียดเพราะว่ า, วา เมื่อเราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้ด้วยการทำมาหากินที่ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไปทำมาหากินที่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นเงินทองหางานทำทำงานแล้วเงินทองไม่พอใช้อยากจะได้เงินทองเพิ่มอาจจะต้องไปลักขโมยเงินหรือไป ไปทำอะไรที่จะทำให้เราได้เงินทองมาเพิ่มโดยไม่ถูกกฎหมายพอไปทำผิดกฎหมายก็ทำให้เราเครียดขึ้นมาเพราะเรากลัวจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองนี่คือปัญหาของความเครียดต่างๆของความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากความต้องการที่เกินความสามารถของเราที่เราจะสามารถทำได้ เราจึงต้องรู้จักกำลังของเรารู้จักความสามารถของเราว่าเราสามารถทําได้เท่าไหร่ก็ให้มันให้ความอยากของเราอยู่ในกรอบของความสามารถของเร า, เอาตอนนี้เราสามารถหาเงินได้เดือนละหม0นก็ให้พอใจกับเงินเดือนเดือนละหมืนไป ใช้เดือนละหมื่นไปอย่าไปอยากได้สองหมื่นอยากได้สองหมื่นเราก็ต้องดิ้นรนหางานมาทำงานเพิ่มทํางานเพิ่มแล้วถ้าหาไม่ได้เราก็จะเครียดที่เราต้องการงานเงินเพิ่มเพราะอะไรเพราะเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้นั่นเองเรามีรายได้หมื่น แต่เราใช้สองหมื่นมันก็ไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็ต้องไปดิ้นรนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้เงินที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ทำไมเราไม่มองไปตอนสมัยที่เมื่อก่อนเราไม่มีเงินเดือนหมื่นเราก็อยู่ได้สมัยเป็นเด็กไปโรงเรียนพ่อให้พ่อแม่ให้เงินวันละเท่าไหร่ ทำไมเราก็อยู่ได้แต่ทำไมพอเราโตขึ้นมาแล้วทำไมเราถึงต้องใช้เงินทองมากมาย ก, กายกองอก็ใช้ตามที่เรามีรู้หัดรู้จักใช้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปใช้ถ้าไม่มีเงินจะใช้เราต้องรู้จักแยกความจำเป็นกับความไม่จำเป็น ความจำเป็นก็คือเลี้ยงดูปากท้องเลี้ยงร่างกายอันนี้จำเป็นต้องมีอาหารให้มันกินวันละสามมื้ออาหารก็มีหลายราคาจะกินอาหารแพงก็อิ่มกินอาหารถูกก็อิ่มก็ต้องดูว่าเรามีกําลังจะซื้ออาหารแพงหรือซื้ออาหารถูกถ้าไม่มีกําลังซื้ออาหาร แพงก็ซื้ออาหารถูกไปมือละห้าสิบกับมือละห้า้อยก็อิ่มเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินมากจนเกินไปนี่คือการรู้จักวิธีอใช้เงินทองกับสิ่งที่จำเป็นใช้อย่างประหยัดคําพุทธเจ้าเรียกว่ามักน้อยคำว่าประหยัดก็คือมักน้อย อย่าไปใช้ของแพงๆเกินกำลังความสามารถของเงินทองที่เรามีอยู่เพราะถ้าเงินทองไม่พอใช้แล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเราต้องพยายามใช้ให้น้อยกว่าเงินที่เรามีอยู่ถ้าใช้มากกว่าเงินที่เรามีอยู่เดี๋ยวเราก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้แล้วก็เครียดนี่คือ สิ่งที่เราต้องรู้จักควบคุมก็คือการใช้เงินใช้ทองต้องดูว่าเรามีความสามารถที่จะหาเงินได้เท่าไหร่เราก็ต้องใช้ให้มันอยู่ภายใต้รายได้ที่เราหามาได้อย่าให้มันเกินเพราะเรายังต้องมีเก็บไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่า วันนี้เราหาได้แต่วันข้างหน้าเราอาจจะหาไม่ได้ถ้าเราหาไม่ได้ถ้าเรามีเก็บสมองไว้ <c oughs> ก็ยังพอมีอะไรที่จะมาะดูแลเราต่อได้เพราะต่อไปข้างหน้าเราบางวันเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีอุบัติเหตุไม่สบายหลายเดือนไปทำงานไม่ได้ไม่มีไรายได้ ถ้าไม่มีประกันสังคมเราก็ต้องประกันตัวเราเองถ้าเรากลัวว่าวันข้างหน้าจะมีปัญหาเราอาจจะต้องซื้อประกันภัยเราก็ต้องมีเงินจ่ายประกันภัยอีก น, นี่คือการใช้เงินที่จำเป็นหาเงินทองมานี่เป้าหมายหลักก็คือเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายของเราให้ร่างกายของเราอยู่อย่างไม่ อย่าขาดแคลนให้มีปัจจัยสี่พร้อมมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มพอใช้พอประมาณมีที่อยู่อาศัยพอกับกำลังของเราที่จะจ่ายค่าเช่าแล้วก็มียารักษาโรคเวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี่คือเรื่องของความจำเป็น ส่วนของที่ไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีเงินพออย่าไปใช้มันไม่ตายของที่ไม่จำเป็นนี้ถ้าไม่ได้มีมันไม่ได้ใช้มันไม่ตายหรอกแต่ของที่จำเป็นนี้ถ้าไม่มีไม่ได้ใช้ไม่มีมันมันจะทำให้เราตายได้นี่คือเรื่องวิธีคลายความเครียดเราต้องคลายความเครียดด้วยการ ใช้ความรู้ไม่ใช้ความไม่ใช้ความหลงถ้าแก้ปัญหาด้วยการไปดื่มโซราคลายเครียดหรือเอาเงินไปเที่ยวกันเวลาเครียดก็ไปเที่ยวหรือไปซื้อของไม่จำเป็นเห็นของอะไรที่ไม่จำเป็นแต่อยากได้พออยากได้พอซื้อมาแล้วความเครียดกับเรื่องงานเรื่องการ กับคนนั้นคนนี้ก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวกับไปเจองานการเจอคนนั้นคนนี้ความเครียดมันก็ยังกลับมาหาเราอยู่เหมือนเดิมฉะ้นวิธีแก้ความเครียดก็ต้องประชิญกับต้องวิเคราะห์ดูว่าเราเครียดกับคนนั้นคนนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้า บ, บอกเราเครียดกับคนนั้นคนนี้เพราะเราอยาก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาให้เขาเป็นอย่างนี้เขาชอบด่าเราเราก็อยากจะให้เขาไม่ด่าเราพอเจอเขาพอเขาด่าเราเราก็เครียดขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทำให้เราไม่เครียดก็ให้คิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเรามันเป็นปากของเขาเราไปปิดปากเขาไม่ได้เขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไป ก็คิดด like ูว่าเป็นเหมือนเสียงลมพัดก็แล้วกันเสียงด่ามันก็เป็นเหมือนเสียงลมพัดนี่ยทำไมเวลาลมพัดมีเสียงทำไมเราไม่เครียดกับมันเพราะเราไม่ได้ไปมีความอยากไม่ให้มันมีเสียงดังเสียงลมจะพัดดังขนาดไหนเราก็ไม่เครียดกับเสียงลมพัดเสียงคนด่ามันก็เป็นเสียงบอกมาจากปากเหมือนก็เป็นเสียงลมพัดเหมือนกัน ก็ปล่อยมันพัดไปลยใครอยากจะพูดอะไรใครอยากจะด่าอะไรใครอยากจะตำหนิอะไรใครอยากจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปก็ไม่เห็นจะต้องไปเครียดกับเขาเลยเพราะเราบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ใจเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราไม่ตำหนิเราไม่ว่าเราเท่านั้นเองเราเขาตำหนิเราหน่อย ซึ่งบางทีการนำหนีของเขาก็เป็นประโยชน์กับเราแต่เรากลับไม่ชอบเสียอีกออเช่นเวลาเราทำอะไรไม่ถูกเขาบอกเราเตือนเราว่าอย่าทำนะทำแล้วเดี๋ยวจะเกิดโทษตามมาแต่แทนที่เราจะขอบคุณเขาเรากลับไปโกรธเขาทั้งๆ ท, ที่มันเป็นประโยชน์กับเขาเป็นประโยชน์กับเราเช่นเราทำอะไรแล้ว มันจะทำให้เกิดความเสียหายหแก่ตัวเราเขาก็เตือนเราเช่นเราไปทำผิดกฎหมายผิดก ฎ, ผ, ดกฎผิดระเบียบเขาก็บอกว่าอย่าทำทำแล้วเดี๋ยวเกิดโทษเพราะมีกฎระเบียบนี้เขามีไว้เพื่อให้เราปฏิบัติตามถ้าเราทำผิดกฎระเบียบเข า, าอาจจะต้องลงโทษเราแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าผิดกฎผิดระเบียบ คนที่เขารู้เขาก็เตือนเราบอกเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่คนตาหนิเราบอกเราเตือนเราเราก็จะโกรธเขาอยจะเครียดกับเขาแทนที่เราจะได้รับประโยชน์จากคําเตือนของเขาแล้วกับได้รับโทษเพราะความอยากของเราเองอยากให้คนชมเราอย่างเดียวไม่อยากให้คนตําหนิเรา ทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งที่เขาบอกเป็นคุณเป็นประโยชน์เรากลับไม่ชอบเราชอบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเช่นเราไม่ดีเขากลับชมว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอเราได้ยินคำชมล้วก็ดีอกดีใจแต่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเพราะมันไม่ได้มาแกา้สิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้หายไป มันกลับจะทำให้เราหลงเราทำไม่ดีต่อไปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคนยกย่องสรรเสริญนี่นี่คือปัญหาของพวกเราชอบชอบให้คนชมไม่ชอบให้คนตำห น, นิก็เลยแทนที่จะได้รับประโยชน์ก็อาจจะได้รับโทษ หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจเวลาที่จะต้องถูกให้คนเขาว่ า, วากล่าวตักเตือนอเพราะการกระทาของเราไม่ถูกถ้าเราทำผิดต่อไปเราอาจจะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้สังคมนั้นเช่นที่ทางานถ้าเราทำผิดกฎระเบียบถ้าเราไม่ยอมรับความจริง คนเขาเตือนเราก็ไม่เชื่อยังทําผิดกฎระเบียบต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากงานะเขาก็จะไม่ให้เราทํางานต่อไปเพราะเวลาทํางานอะไรผิดกฎผิดระเบียบมันก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้เขาก็เลยต้องให้เราออกจากองค์กร น, นั้นไปปัญหาความไม่สบายใจต่างๆ ของพวกเราเนี้ยเกิดจากความอยากทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ได้ก็เครียดกันทุกกันอยากได้เงินได้ทองพอไม่ได้เงินได้ทองก็เครียดกันอยากได้ตำแหน่ง พอไม่ได้ตำแหน่งก็เครียดกันอยากให้คนชมพอไม่ได้รับคำชมได้รับคำตำหนิก็เครียดกันอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ได้ก็ทุกข์กันอยากไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวอยู่บ้านก็เหงาว้าเวยอยากจะมีความสุขกับแฟน ถ้าแฟนไม่อยู่ด้วยแฟนหนีไปก็ทุกข์กันใช่เนี่ยความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินเราจะไม่เครียดมีเงินก็มีไปไม่มีเงินก็ไม่มีไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีความอยากได้ตำแหน่งเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่ได้ตำแหน่งถ้าเราไม่อยากได้รับคำชมเชย เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีใครชมเราถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาตำหนิเราใครตำหนิเราเราก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาตำหนิไปถ้าเราไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่เดือดร้อนแฟนจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะได้ไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด ความเดือดร้อนใจความเครียดใจความวุ่นวายใจเกิดจากการความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถพะในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยดิ้นรลนหาลาบยศสรรเสริญดิ้นหลนหารูปเสียงกลิ่นรสผลถพะมาเสพกันแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ได้แล้วก็อยากจะได้อีกได้แล้วก็ไม่อยากจะเสียเสียก็เสียใจอีกได้อะไรมาแล้วพอสูญเสียไปก็เสียใจอีกนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่ความไม่มีความรู้ทางธรรมที่จะสอนบอกให้เรารู้ว่า ลาบยศสะลรเสริญและรูปเสียงกิริยลดต่างๆนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นงูพิษไม่ใช่เป็นปาลาไหลอย่าไปจับมันมากินจับมแล้วจะถูกมันกัดจะถูกงูพิษกัดลาบยศสารเสริญเป็นทุกข์รูปเสียงกิรถต่างๆที่เราเสกันนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงคือมันไม่มันไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ให้ความสุขกับเราพอเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปมันก็ปล่อยให้เราเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวีทำให้เราทุกข์นี่คือนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหากัน ถ้าเราหาลาบยศฉละเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดปฐพา่าเราจะทุกข์ไปจนวันตายเพราะว่ามันเราจะต้องเสียเหมือนได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปหรือเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปเห็นไหมสินค้าต่างๆก็มีเขียนวันที่ไว้ว่าควรบริโภค ในวันนี้วันนี้หลังจากนั้นไปแล้วมันจะไม่ดีแล้วอย่างนี้มันก็บอกอย่างนี้ก็บังคับให้เขียนไว้แต่ของบางอย่างเขาไม่บังคับนี่เช่นแฟนนี่ถ้าเขาควรจะติดติดป้ายไว้ว่าแฟนคนนี้ก็จะต้องบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้พอหลังจากวันนั้นวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขาหายไปเขาทิ้งเราไปอันนี้ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแฟนจะทิ้งเราเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไม่รู้ว่าจะหายไปเมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่ตำแหน่งที่เรามีอยู่กันนี้ไม่รู้ว่ามันจะหมดกันไปเมื่อไหร่เขาเลยไม่สามารถเขียนวันที่ไว้ได้รับประกันไม่ได้อาจจะหายไปก่อนวันที่ที่เขาเขียนไว้ก็ได้ เราคิดว่าทุกอย่างจะหมดไปตอนที่เราตายแต่มันอาจจะหมดก่อนที่เราตายก็ได้ของมันสามารถจากเราไปได้จากตอนที่เป็นก็ได้จากตอนที่ตายก็ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็ตอนตายเนี่ยต้องจากกันแน่นอนหาอะไรมาได้เท่าไหร่เนี่ยในที่สุดตายไปก็หมดไปเราไปหากันทำไม มันไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปพอมันหายมันก็ทำให้เราหิวเราโหยเราอยากได้ใหม่เราก็ต้องไปดิ้นนหามันใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เครียดอีกทุกข์อีกนี่แหละคือการผลิตความเครียดของพวกเราคือการไปหาสิ่งที่มันไม่จีรังถาวร พระพุทธเจ้าบอกว่าราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหากันเนี่ยมันไม่จีรังถาวรเรียกว่าอนิจจ์อนัตตามเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราอย่างถาวรได้มันอยากจะไปจากเราเมื่อไหร่มันก็ไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกัน เพราะนี่คือความจริงถ้าเราคิดแล้วเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับควบคุมให้มันเที่ยงได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ไปหามันดีกว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นงูเหา่าเป็นงูพิษไม่ใช่เป็นปาลาไหลเราก็วางไม่ไปเล่นกับมันดีกว่าไม่ไปจับมันดีกว่าจับมันแล้วโดนมันกัด โดนพิษของมันทำให้เราตายฉันใดนี่คือปัญญาหรือแสงสว่างแห่งธรรมคือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนงูพิษมันจะต้องกัดเราไม่วันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วทุกวันนี้เราเราถูกกัดกันอยู่เรื่อยๆถูกงูพิษกัดกันอยู่เรื่อยๆที่เครียดกันก็แสดงว่าโดนกัดนะ ที่ทุกข์กันก็แสดงว่าโดนกัดนะที่วิตกกังวลก็แสดงว่าโดนกัดนะที่หวาดกลัวก็แสดงว่าโดนกัดนะเพราะเราไปเล่นกับมันเราไปเล่นกับราบยศสรรเสริญไปเล่นกับร่างกายร่างกายของเรานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายของเรามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ทาให้เราเครียด เวลายังไม่ทันแก่เพียงแต่คิดว่าต่อไปจะต้องแก่มันก็ทำให้เราเครียดนะกลัวความแก่กันเวลาคิดถึงโครคภัยไข้เจ็บก็เครียดกันขึ้นมาแล้ะยังไม่ได้เป็นก็เครียดก่อนละเวลาคิดถึงความตายก็เครียดกันละพอเราไปเล่นกับมันเราไปเล่นกับร่างกายเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นปลาไหลความจริงมันไม่เป็นปลาไหลมันเป็นงูพิษนะ แต่เราแทนที่จะไม่ไปมีมันเรากลับไปมีมันพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องทุกขกับมันทุกข์ตั้งแต่มันเกิดออกมาจากท้องแม่ทุกขเพราะจะต้องดิ้นนนหาอะไรกินต้องหายใจหาน้ำดื่มตอนต้นก็มีพ่อมีแม่คอยหาให้ต่อไปพอโตขึ้นมาก็ต้องหาเอง ทุกวันก็ต้องไปหาอาหารหาน้ำหาอะไรมาหล่อเลี้ยงร่างกายเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์การเกิดก็เรียกว่าทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อมีร่างกายแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่ามีดีกว่าการที่จะไม่มีได้ก็ต้องหยุด ความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสารเสญนหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายการที่เราจะหยุดได้เราก็ต้องมีความสุขในตัวเราตอนนี้เราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องออกไปหาความสุขผ่านทางร่างกายต้องมีร่างกายก่อน พอมีร่างกายแล้วเราก็จะได้ไปหาเงินทองได้ไปหาตำแหน่งได้ไปหาคำสรรเสริญเยินยอได้ไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เราเลยต้องมีมาเกิดกันมาเกิดกันแล้วก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เพื่อที่เราจะได้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกเวลาที่มันหายไปเวลาที่มันเสียไปเวลาที่มันจากเราไปนี่คือความสุขต่างๆที่ความทุกขต่างๆที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ทางนั้นนะไม่ได้ทุกข์กับอะไรเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเรา พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้พวกเรามาหาความสุขในตัวเราดีกว่ามาสร้างความสุขในตัวเราในใจของเราเพราะถ้าเรามีความสุขในใจเราในตัวของเราแล้วเราจะไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายเราไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยนี่คือ ทางแสงสว่างแห่งธรรมชี้ทางสู่สู่ความสุขที่แท้จริงชี้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คือตอนต้นชี้ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือหนึ่งร่างกายสองลาบยศจรเสรญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหากันที่เราอยากได้กันมันเป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปแล้วเราอยากให้มันไม่หมดมันก็เลยทำให้เราทุกข์อยากให้มันอยู่กับเราเวลามันไม่อยู่กับเรามันก็ทำให้เราทุกข์นี่คือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือ เราต้องเลิกหาสิ่งเหล่านี้เลิกเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลิกมีสิ่งเหล่านี้อย่าไปมีร่างกายอย่าไปมีลาบยศสรรเสริญอย่าไปมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราให้มาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่จะจะอยู่กับเราเป็นความสุขที่จีรังถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอด ความสุขนี้ก็คือความสงบนั่นเองให้มาหาความสงบของใจทําใจเราให้สงบถ้าใใจสงบแล้วจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีลาบยศสละเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนนี่ก็คือแสงสว่างแห่งธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกว่านี่คือความสุขนั่นคือความทุกข์ตอนนี้เราเดินไปหาความทุกข์กันเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรเราก็คิดว่าความสุขอยู่ทางโน้นเราก็เดินไป แต่ความจริงพอเปิดไฟขึ้นมาถึงจะเห็นว่ามีแต่ความทุกข์รอเราอยู่แต่พอปิดไฟเรามองไม่เห็นเราก็เลยไปคิดว่ามันเป็นความสุขกันใจของพวกเราถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะคิดว่าราบยศสระเสริญลูกเสียงกิ่นรสผดธภาล่างกายของเรานี้เป็นแหล่งของความสุขเราก็จะไปหาร่างกายไปมีร่างกาย พอเมื่อเรามีร่างกายแล้วเราก็จะได้ไปหาราบยศสัรเสริญไปหารูปเสียงกิรลดมาให้ความสุขกับเราได้แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปมันก็เลยทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันไม่หมดพอมันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์กันอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอก พวกเราก็จะไม่รู้กันพวกเราก็จะคิดว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายร่างกายของเรานี้มันเที่ยมมันจะอยู่กับเราไปตลอดได้อะไรมาแล้วจะเป็นของเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไปอันนี้เป็นความคิดของใจที่มืดบอดซึ่งไม่ตรงกับความจริงความจริงมันตรงกันข้ามกัน อันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่ไม่รู้กันถูกความหลงถูกความมืดบอดมันหลอกให้เราคิดว่าทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระสงะำค์ก็ทํารําำสอนมาสอนพวกเราจะหลงกันไปล้วก็จะทุกข์กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าเราได้มาวัดได้มาพบกับพำำระธรรมคาสอนเราก็จะได้แสงสว่างเหมือนเปิดเหมือนเปิดไฟในที่มืดพอเราเปิดไฟในที่มืดเราก็จะเห็นโอ้ตรงนั้นมีแต่งูเอตรงนี้ไม่มีงูเลยเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางเดินอย่าเดินไปตรงที่มีงูเดินไปในทิศที่ไม่มีงู พระตถาจ้าบอกวล า, าบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์อย่าไปกันร่นางกายนี้เป็นทุกข์อย่าไปมีกันให้ความสงบคือความสุขให้ไปหาความสงบกันเอให้ไปทําใจให้สงบกันอไปนั่งที่ไหนเงียบๆคนเดียวหลับตาพุโทโธพุโทโธเอคก็ปุมความคิดหยุดความคิดนะเพราะถ้าหยุดความคิดได้แล้วใจจะสงบ ใจจะสงบแล้วก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพราะมีแล้วมันวุ่นวายใจมีอะไรก็ต้องวุ่นวายใจกับสิ่งที่เรามีมีแฟนก็ต้องวุ่นวายใจกับแฟนมีลูกก็ต้องวุ่นวายใจกับลูก มีงานก็ต้องวุ่นวายใจกับงานเดี๋ยวอีกข้านาทีก็จบแล้วนั่งใหนังไกล้จะจบแล้วเนี่ยวใจเย็นๆสรุปก็คือพระพุทธเจ้ามาชี้บอกแล้วทางสู่ความทุกข์เป็นอย่างไรทางสู่ความสุขเป็นอย่างไรอยู่ที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราก็ต้องเปลี่ยนทางเดิน ถ้าเรายังหาลาบยศสรรเสริญยังหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนื้มาให้ความสุขกับเราอยู่เราก็เลิกหามได้เลิกไปเที่ยวเลิกไปชอปปิ้งเลิกไปดูหนังฟังเพลงเลิกไปหาที่กินที่ดื่มอะไรต่างๆเลิกไปหาเงินทอง ถ้าหาก็ห า, เ, าเฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่จะไปหามาเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่างๆเลิกหาลาบยศจะสรสญเลิกหารูปเสียงกลิ่นล้นเรามาหาความสงบกันไปอยู่วัดกันวันพระวันหยุดทางานลองหัดไปอยู่วัดกันไปหัดไหว้พระสวดมนต์ไปรักษาศีล น, นี่วิธีสร้างความสงบ สร้างความสงบให้แก่ใจเราต้องมีศีลศีลจะคอยห้ามไม่ให้เราไปทำอะไรที่จะเป็นทุกข์กับเราแล้วก็เราจะได้มีเวลามาคอยควบคุมใจให้มันสงบใจถ้าเราไม่คุมมันไม่ไ ม, ไม่ไม่จับมันมามัดมันจะไม่สงบใจของเรามันเป็นเหมือนลิงลิงนี่ถ้าอยากจะให้มันนั่งเฉยๆต้องทำยังไง ต้องเอาเชือกมามัดตัวมันให้แน่นเลยถ้ามัดตัวมันแน่นแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเชือกเดี๋ยวมันก็วิ่งไปวิ่งมามันสนใจเราก็สนชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงคนนั่นแล้วก็มาคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนี้แล้วก็ไปคิดถึงสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นแล้วก็มาคิดถึงสิ่งนี้คิดถึงสิ่งนี้แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เตยเงินมาจนถึงบัดนี้หยุดคิดกันหรือยังเคยหยุดคิดกันบ้างไหมไม่เคยหยุดน่ะมันคิดของมันไปเรื่อยเปืาาเ่อยคิดทั้งเรื่องที่มีสาระและเครื่องที่ไม่มีสาระเรื่องที่มีสาระก็คือเรื่องทํามาหากิน ah เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องที่ไม่มีสาระก็เรื่องที่เพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อ ย, นนนอยากได้นั่นอยากได้นี่ต่างๆาคิดไปอยู่นั่นละ พอคิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่หลานี้แล้วจะมีความสุขนะแทนที่จะมีความสุขกับมีความเครียดได้อะไรมาแล้วก็ต้องเครียดกับสิ่งที่เราได้มาเพราะกลัวมันจะหมดนะกลัวมันจะเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนก็เสียใจพอมันหมดก็เสียใจถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องเครียดกับมันนถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ต้องเครียดกับแฟนถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกน ถ้าไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติขอทานสบายกว่าเศรษฐีตรงเนี้เศรษฐีนี่ต้องทุกข์กับสมบัตินะขอทานนี่ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติ น, นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราจะต้องละต้องเลิกแล้วก็ไปหาความสงบไปอยู่แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมันจะทําให้เราไม่เครีดยดเยเวลามาวัดเขาไม่ให้อะไรเรามา ให้มาตัวเปล่าเอาเสื้อผ้าเอาของใช้จำเป็นแล้วก็มาอยู่วัดแล้วก็มาคอยจับลิงมามัดลิงให้ได้ลิงก็คือจิตของเราความคิดของเรามาหยุดความคิดให้ได้หยุดความคิดได้เมื่อไหร่จิตของเราก็จะมีความสุขเมื่อนั้นเมื่อมีความสุขแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ยความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันดีกว่าความสุขที่เราบีกันอยู่ นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทําให้ได้ถ้าเราอยากจะหายจากความเครียดต่างๆหายจากความทุกข์หายจากความวุ่นวายใจหายจากความหวาดกลัวหายจากความวิตกกังวลต่างๆเราต้องพยายามมาทาใจของเราให้สงบไปได้เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวสร้างความเครียดต่างๆให้กับเราไม่ใช่ใครหรอก ใจที่คิดไปคิดไปแล้วก็เครีย things, ะะ stuff stuff, ดก like Nowadays, 在在 Lady, you, ับเรื i, ่องที่เราคิดหวาดกลัวไปกับเรื่องที่เราคิดเนี่ยเวลาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่กลัวอะไรพอให้อยู่คนเดียวตอนเย็นๆอยู่คนเดียวเดี๋ยวกลัวผีขึ้นมาละเนยผีมันมีที่ไหนมันใจเราสร้างมันขึ้นมาเองตอนนี้อยู่ได้คนเยอะๆอยู่ได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวตอนมืดค่ำนี่รับรองอยู่ไม่ได้แล้วเครียดขึ้นมากลัวผีขึ้นมาทันที ใครไปสร้างผีขึ้นมาเราเป็นคนสร้างผีขึ้นมาเองไปคิดถึงมันเองตอนนี้ไม่คิดถึงผีผีมันเลยไม่มาใช่ไหมพอไปคิดถึงมันปั้งโอ๊ยมันจะมาขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแต่ถ้าเรามาควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ผีไม่มีหรอกผีไม่มาหรอกไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นอกจากความคิดปรุงแต่งของเรา เราจึงต้องเอาเอาธรรมะคือสติมมัดจิตให้ได้การที่เราสวดมนต์กันนี่ก็เป็นวิธีสร้างสติกันขึ้นมาเพราะเวลาเราสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงผีไม่ได้คิดถึงคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ ต่อไปเราก็จะได้รู้จักวิธีหยุดคิดนะเวลามันคิดก็สวดบนไปเวลาคิดก็พุโทโธพุธโทโธไปต่อไปความคิดต่างๆเราก็จะหยุดมันได้พอหยุดความคิดได้ทีนี้ใจก็เย็ยนสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีบุตรมีที่ดาไม่ต้องมีลังวี่รังวัน ไม่ต้องเป็นคุณหญิงคุณนายไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นสอสอเป็นนายกเอเป็นแล้วมีทุกข์เป็นไปทาไมชั่วไม่เป็นดีกว่าแต่หยุดมันไม่ได้หยุดความอยากเป็นไม่ได้เลยต้องมาหาเชือกมัดมันให้มันหยุดให้มันหยุดอยากหยุดเป็นให้มันอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบให้ได้ถ้าอยู่กับความสงบได้แล้วจะมีความสุขมาก จะไม่มีความทุกข์เลยนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทําให้เราเปลี่ยนทิศทางเดินจากการเดินไปหาความทุกข์เดินไปห า, าลาภยศสรรเสริญเดินไปหารูปเสียงกิ่นรสผลิภัให้มาเดินหาความสงบกันให้มาเข้าวัดกันมาอยู่วัดมารักษาศีลมา ฝึกสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์กันมาเดินจงกรมพุทโธพุทโธกันมาควบคุมความคิดหยุดความคิดกันให้ได้เพราะเมื่อเราหยุดความคิดได้แล้วใจของเราจะมีความสงบมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เองความรู้ทางธรรมจึงวิเศษตรงนี้วิเศษตรงที่ว่าจะสามารถให้เราพบกับ ความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงวิชาทางโลกก็จะหาความสุขที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ให้กับเราต่อไปอนี่คือเรื่องของการมาวัดก็ขอให้ท่านนำเอาไปพิณิพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากความเครียดความทุกข์ต่างๆ เพื่อความสุขความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปุริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอ an ิทิตังปฏิต um ังตุมหังเิปบเมวะสมิจจโตสัพเพโุเรนตุสังกปาจันโูปนาหระโสยะถามะนิจโตติ อาราโสยะธาสพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวนตราโยสุขีทีฆายุโกภวาภิวาตนาสีดิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขัง พาลังใครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าวของเข้ามาถวายต่อก็เชิญเข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปได้ใครอยากจะไปคุยกันที่ไหนก็ไปได้แต่อยากขออยากคุยกันที่นี่ก็แล้วกันไม่คุยที่อื่น ที่นี่มีหน้านที่ฟังอย่างเดียวที่นี่เป็นที่ฟังไม่ใช่เป็นที่คุยวันนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่กราบนรัมสการค่ะหลวงพ่อจาก f a c e b o o สอง9้อยห้าสิบเก้าสอง้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์ห้าสิบห้ารับฟังบนเขาหกสิบห้ารวมห้าร้อยเก้าสิบสี่ค่ะ Facebook หายไปไหนต้องสองร้อยกว่า หลุดเลยหลุดฮหลุดเป็นอะไรหลุดนะเพราะว่าโปรแกรมหลุดแะแล้วเป็นที่เครื่องเราคเป็นเครื่องเราไม่ได้อัปเดตนะเรื่องนียังไม่ไมรู้หลุดไปตอนนั้นได้หยุ3 3 0กว่าคนอ๋อมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ใครสงสัยไม่เข้าใจอะไรมีคาถามค่ะเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไป พูดใกล้ใกล้ปากหน่อยเสียงจะได้ดังกราบธมะสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูอยากจะถามเกี่ยวกับการทําสมาธิอยู่ที่ห้องอ่ะค่ะอยู่ที่ห้องค่ะแล้วทีนี้หนูก็เข้าไปอ่านในอือ g ูเกิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์มันทำให้เราเกิดเป็นแบบสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลัว อ, อ๋อครูบาอาจารย์มีหลายรูปแบบไงหนังสือธรรมะก็เป็นครูบาอาจารย์ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนอย่างเดียวเป็นพระอย่างเดียวหนังสือธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นครัพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะเราเราเข้าใจวิธีปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามได้แล้วถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ค้นหาดูถ้าคนไม่ได้ก็ลองไปถามคนที่เขารู้อมัน มันต้องมีคนบอกคือถ้าเราทำแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามคนที่เขารู้แต่ทีนี้พอหนูพุทโทอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าไม่พุทโทนี้ไม่ได้จับอยู่ที่ไหนเลยเหมือนกับกระจายอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ต้องมันไม่กระจายหรอกพุโทโธมันก็เป็นคำเราก็อยู่กับคำนั้นไปนันเองค่ะมันไม่ได้กระจายไปไหนเราอยู่พุทโทพุโทโธมันก็จะหยุดให้เราคิด เราก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่พูดโทเดี๋ยวเราก็คิดเ<อ>นี่ยการพูดโทนี้ก็เพื่อให้เราหยุดความคิดอย่างอื่น<อ>เท่านั้นเองทุกวันนี้ก็พยายามนั่งอยู่ค่ะอาจารย์<อ>เกือบจะก่อนนอนหรือไม่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยค ต้องรู้จักวิธีนั่งที่ถูกวิธีนั่งที่ถูกก็คือถ้าใช้พุทธโธก็อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรเวลานั่งแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ให้อยู่ให้มีพุทธโธคอยควบคุมใจไม่ให้คิดแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอาจจะมีเสียงมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมา ในใจเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็พุทโธพุทโธต่อไปเถ้านั้นเอง ถ, ถ้าไปสนใจไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นบ้าไดา้นี่เป็นบ้าเพราะเราไปคิดเองเอย่างอย่าคิดเนอ่พระอาจารย์คะการที่เราไม่สนใจนี่คือหมายถึงว่าถ้าเราเห็นแล้วเราคือผ่านไปเลยหรือว่ า, ลวากลับมาพุทโธต่อให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าทิ้งพุทโธ ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันเราไปรับรู้เับมันก็จะหายไปหรือเราไม่ไปรับรู้มันเรามารับรู้พุโทโธอย่างเดียวให้รู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบทุกอย่างก็จะหายไปหมดถ้าเราไม่มีพุทโธเดี๋ยวไปยุ่งกับสิ่งที่มาปรากฏเดี๋ยวก็กลายเป็นบ้าได้แปลว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ กันระวังเวลานั่งอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งเล้าให้ใจไม่มีอะไรมาคอยกำกับใจปล่อยมันคิดมันมีอะไรมาให้สัมผัสมันก็คิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่บางทีก็คิดว่าเป็นผีบางทีก็คิดว่าเป็นเจ้าเข้าทรงคิดอะไรต่างๆไปอพอที่นั่งแ ล, แล้วเข้าทรงกันเป็นผู้นั่งแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมา แล้วก็ทําเป็นไปตามไปตามตามที่ใจคิดปรุงแต่งไปคิดว่าเป็นเจ้ามาแล้วเป็นเท้ามาหาผมมาแล้ว ม, มาเข้าเข้ามาในใจเราแล้วเอออันนี้นั่งแบบไม่มีสติจะเป็นอย่างนั้นถ้านั่งแบบมีสติก็จะเป็นเหมือนตอนที่เรานั่งคุยกันตอนนี้มันก็จะรู้เฉยเฉยรู้ว่าอะไรมาก็เหมือนตอนนี้เรารู้ว่าใครมาเราก็รู้ว่าเขามารู้ว่ามาแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไป เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเออไม่ต้องไปคิดว่าเขาเป็นเท้ามาหาพมหรือเป็นพญานาคเป็นพญาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปคิดกันในตัวเองเข้าใจัไหอคุณคะอาจารย์เอนัอ่งให้มีพุโทโธกำกับใจอยู่กับพุโทโธไปแล้วใจจะสงบแล้วจะเบาจะมีความสุขถ้าทิ้งพุโทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวเดือเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ท, ทันทีเข้เาใจนะ ใจค่ะขอบคุณค่ะใช้คําว่าวางแล้วว่างได้ไหมคะพี่ค่ะใช้ไหมค่ะใช้ใช้คำว่าวางค่ะวางแล้วว่างได้ไหมคะใช้ทําอะไรอ่ะอ่าละลึกอยู่ในใจค่ะวางดูแล้วทําไมล่ะวางแล้วว่างก็ให้จิตเขาเมาว่างแล้วมันสงบหรือเปล่าอ่ะค่ะสงบสงบก็ได้ใช้คําอะไรก็ได้ออวางก็ได้ว่างก็ได้อนี้จังก็ได้ อะไรก็ได้ตายก็ได้อออ้าวจริงๆอย่าให้มันไปคิดอะไรก็แล้วกันให้มันอยู่กับคําที่เราใช้นั่นแ่ะะย่าต้องอยู่กับมันไปตลอดจนกว่าจิตมันจะหยุดคิดถึงจะหยุดได้ถ้ามันยังไม่หยุดคิดก็ต้องวางว่างวางว่างวางว่างไปหรือพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้ามันยังจะไปคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟาอยู่ก็ต้องวางว่างวางว่างไปอย่าปล่อยให้มันไปคิด แล้วเดี๋ยวมันอยากกินขึ้นมาอยากดื่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะนั่งไม่ได้เข้าใจไหมนั่งผู้หยุดความคิดโดยหาเอาความคิดที่ที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดแทนอพุทโธก็ได้ตายก็ได้เอถ้าคิดถึงอาหารก็คิดถึงอุจจาระก็ได้อุจจาระอุจจาระไปก็ได้เออคิดถึงอุจจาระเดี๋ยวมันก็ไม่อยากจะกินนะเข้าใจมหมอา่นะเอาเนาะ อ, อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเรานั่งพูดโธเนี้ยหมายถึงเราหายใจเข้าพูดนี่หมายถึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนุ่งยุ่งกับลมหายใจเลยถ้าพูดโทก็พูดโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจเ อ, อาพูดโธอย่างเดียวง่ายกว่าเดี๋ยวพูดเข้าโทออกมันช้าเดี๋ยวก็อยากจะพุดโทรเร็วมันพูดโทรเร็วไม่ได้เดี๋ยวความคิดมันแทรกเข้ามาบางทีม<อ>ันความคิดเข้ามาเยอะเราก็ต้องให้พุดโธมันเร็วขึ้นไม่ต้องไปสนใจ ถ้าจะใช้ลมนี่ก็ไม่ต้องพุทโธดูลมไปจะดูลมได้นี่ใจต้องไม่คิดอะไรแล้วถ้ายังคิดอยู่ดูลมไม่ได้ดมูมันก็ยังคิดอยู่นั่นแต่ถ้าใจมันไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่คิดเกียจพุทโธก็มาดูลมแทนได้ดูลมไปโดยที่ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ไม่ต้องใช้วางว่างก็ได้ให้ดูไปดูเฉยๆให้ดูว่าลมเข้าลมออกไปถ้ามันไม่คิดแต่ถ้านอน นอนไม่ได้แล้วนอนก็หลับนะรับเดี๋ยวก็หลับมันต้องหลับสิเดี๋ยวมันช้าก็เลยก็ต้องหลับเพราะนอนอย่นี้รู้ว่าเข้าออกเข้าออกรู้ค่ะแต่ว่าถ้านั่งปุ๊บในพมกุดโพช้าไม่ได้ตั้งใจต้องวางว่างวางว่างสะกดจิตมันไม่อยู่กับที่เอได้เอได้ใช่ได้ก็เป้าหมายก็ให้มันสงบให้มันไม่คิดแต่อย่าให้มันหลับถ้าหลับก็แสดงว่า ไม่ใช่สมาธิบางทีสติอ่อนพอไม่คิดอะไรปั๊บเดี๋ยวมันก็หลับได้สับงบขึ้นมานะนั่งขอพับลง ม, มา อ, มอันนั้นนั่งสมานั่งหลับไม่ใช่นั่งสมาธิเห็นคนที่เขานั่งสมาธิแบบนี้นั่งหลับนะเข้า <laughs> ใจแล้วยังเอนะเป้าหมายคือหยุดความคิดน่ะ ใช้อะไรคอยบังคับมันไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบกบคำไหนก็ใช้คํานั้นไปชอบพูดโธก็ได้บางคนชอบมรณะนุสติก็ตายตายตายตา ย, ตายไปก็ได้พยายามเข้ามาดูสังขารแต่ยังไม่เก่งคะ่ะยังยังยังไม่ต้องดูหยุดความคิดให้ได้ก่อนทําจิตให้สงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อมีความสุขแล้วค่อยไปดูสังขานต่อไป เดื๋ยว่าร่างกายไม่เที่ยงสังขารนี่สังขารตัวไหนสังขารร่างกายหรือสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารคือเจษาร ม, มานะคะ่ะอ่าร่างกายเ อ, อ่ออันนั้นต้องรอให้จิตสงบก่อนให้มีความสงบให้มีสติกําลังพอก่อนถึงจะมาสั่งให้มันดูาอาการสามสิบสองได้การต้นอย่าเพิ่งไปอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคิด ให้หยุดคิดก่อนหยุดคิดเป็นแล้วค่อยบังคับให้มันคิดไปในทางธรรมะคิดไปในทางเกิดแก่เจ็บตายอาการสามสิบสองดินน้ำนมไฟต้องบังคับให้มันคิดเป็นถึงจะคิดถ้าไม่บังคับมันก็จะคิดถึงขนมน ม, นมเนยกาแฟเน้นต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนอกราบเรียนถามพระ อ, อาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะคือ หมายถึงว่าเราไม่ต้องตามลมหายใจแต่เราท่องพุโทโธนี้คือเราไม่ต้องดูลมหายใจเราเข้าออกใช่หมคะอ่าไม่ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเอาลมกับพุโทโธคู่กันก็ได้จะมาแต่งงานกันก็ได้หรือ <c oughs> จะให้มันอยู่โสดตัวใครตัวมันก็ได้แล้วแต่วิธีไหนที่จะทำให้ใจเราสงบ <c oughs> ไม่คิดก็ได้เหมือนกัน พุทเข้าโทออกก็ได้เนื aus ok ้อหายใจเข้าว่าพุทธหายใจเข้าก็ว่าพุทโทหายใจออกก็ว่าพุทโทก็ได้มีหลายวิธีวิธีทําใจให้สงบนี่มีหลายวิธีเนี่ยแล้วแต่เราจะถนัดอย่างไนบางคนก็สวดมนต์ก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก็ทําใจให้ไม่คิดได้เหมือนกันสวดอิติปิโสไปร้อยจบอย่างนี้ กลับก็ได้ตามสบายไม่ได้ห้ามอไม่เป็นไรกลับหมดก็ได้เราก็จะได้กลับเหมือนกัน <c oughs> ที่เราอยู่ <c oughs> พ่อโยมยังอยู่เนี่ยพ่าโยมกลับเราก็จะได้กลับ <c oughs> ตามสบายไม่ไมเอ่ต้องไม่ต้อ ง, องกลัวจะมาเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ไม่ว่ากัน <c oughs> ไม่มีไม่มีสัญญาบังคับไม่ถูกปรับ <c oughs> เออ ใจอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ใครอยากจะกลับก็กลับมาจากที่ไหนกันเชียช้าเจค่ะเชนช้าเลยมารู้จักที่นี่ได้ยังไงโยมค่ะโยมเคยมาค่ะอ๋อเคยมานะมีคําถามอีกไหมไม่มีจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะอถ้าอยากจะฟังก็ฟังอถามได้ค่ะ คำถามจากทางไลน์คุณพันนีจะยกจิตขึ้นพิจารณาอสุภะเมื่อใดหากเรายังไม่มั่นใจกลา้ากล้กลัวกควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะสามารถพิจารณาเรื่องาธาตุกับกายค่ะก็ต้องให้มีสมาธิก่อนไงสมาธิเป็นตัวที่จะทําให้เรามีกําลังที่จะไปพิจารณาเรื่องที่ตามปกติใจที่ไม่มีสมาธิจะไม่อยากจะพิจารณา คือร่างกายอาการสาสบสองซากศพนี้จิตใจของคนธรรมดานี่จะไม่มีความสามารถที่จะมองได้กลัวต้องทำจิตให้สงบก่อนจิตมีสมาธิแล้วจิตจะไม่กลัวจะกล้าดูของจริงกล้าดูตับไตไส้พุงดูหัวหัวใจปอดตับกระโหลกศีรษะคโคงกระดูก ดูได้หมดถ้าใจสงบแล้วดูแล้วใจจะเฉยคิดได้หมดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่มีความสงบมาก่อนนี่ไปคิดไม่ได้กลัวเพียงแต่พูดคำว่าตายนี่ก็คิดว่าจะตายแล้วบางบ้านนี่ห้ามพูดคำว่าตายใช่หมเหมือนก็พอพูดแล้วมันจะตายขึ้นมาทันทีทันใดนี่คือจิตที่ไม่มีสมาธิ มันจะกลัวความจริงมันจะไม่กล้ามองความจริงถ้าจิตมีความสงบแล้วมันจะไม่กล้ามันไม่กลัวมันกล้ามองความจริงที่เราต้องมองความจริงเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงเวลามันจะมาแล้วเราก็จะสามารถรับได้อย่างไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเพราะเราจะรู้จักวิธีรับกับความจริงก็รู้ไปเฉยๆนั่นเอง อะไรจะเป็นมันก็เป็นะเราห้ามมันไม่ได้มีใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายกันได้เลยแล้วไปกลัวมันทําไมในที่สุดมันก็มาอยู่ดีเวลามันมาถ้ากลัวยิ่งกลัวใหญ่เลยเพียงแต่ยังคิดถึงมันยังกลัวพอเจอตัวจริงมันก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่ถ้าเราฝึกจิตให้สงบแล้วรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันมาแล้วเดียวมันก็ผ่านไป แต่จิตของเราไม่ได้ตายไปกับมันมันไปกลัวทำไมจิตเป็นผู้รู้จิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะรู้มันจะรู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันจิตมันถึงกล้ามองว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาจิตไม่มีสมาธิมันจะไปคิดว่ามันเป็นร่างกายมันก็เลยไม่กล้ามองว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต่อไปคำถามต่อไปการที่เราไปคิดถึงอดีตบางอย่างที่ทำให้เราสูญเสียโอกาสไปหลายอย่างทำให้ไม่สบายใจควรมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรคะก็ถ้ามันไม่สบายใจก็อย่าไปคิดสิแล้วใครไม่มีใครบังคับให้เราไปคิดเนี่ยเราไปคิดเองการจะคิดถึงอดีตนี้ถ้ามันคิดแล้วเป็นประโยชน์ค่อยคิด เช่คิดว่าเป็นบทเรียนสอนเราว่า เ, าเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะะข่าวต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกก็จะได้ไม่ทำประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยอหรือเราควรจะทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำถ้าข่าวหน้ามันเกิดขึด้นอีกก็รีบทำซะ เ, เราก็จะได้ไม่เสียประโยชน์นี่คือการคิดถึงอดีตคิดเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจแต่ถ้าคิดแล้วทาให้เราไม่สบายใจคิดไปทาไม ถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันพอมันจะคิดถึงอดีตกพ็พุโทโธพุทโธไปหรือปล่อยวางว่างวางว่างวางวางว่างวา ง, วางไปปัจจุบันก็ได้หให้กลับมาปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันพุโทโธพุโทโธไปหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให้เราหยุดคิดถึงอดีตสวดมนต์ก็ได้ คำถามต่อไปจะคุณไรยาถ้าเราเคยผิดศีลข้อสามแล้วเราอยากจะขอให้เขาอโหสิกรรมให้จะทําอย่างไรพูดกับเขาโดยตรงเลยดีไหมคะอ่ะก็ต้องไปคุยกับคู่ ก, กรณีแลหละใช่ไหม <laughs> เขาโกรธเราเราก็ต้องไปคุยกับเขานี่ก็จะยอมยอมหายโกรธให้อภัยเรารู้ไหมก็อยู่ที่เขาก็อยู่ที่ว่าเราจะให้อะไรเขา ถ้าเราให้อะไรเป็นผลเป็นสิ่งตอบแทนที่เขาพอใจเขาก็จะอให้อภัยได้เช่นให้เขาสักล้านหนึ่งนี่สองล้านก็เอาโอเคงี้หายโกรธแล้วอางคำถามต่อไปค่ะเจ้าของธุรกิจท uh> uh ี่มีการเลื่องภาษีโดยการนำชื่อของผู้มีรายได้น้อยมาหักเป็นรายจ่ายของบริษัทเช่น หากรายจ่ายไป1 0 0 0 0มืนบาทแต่จ่ายจริงไป3า0พันบาทเช่นนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่และผิดศีลหรือหลักธรรมข้อใดครับถ้าไม่ถูก<อ>ถ้าไม่ถูกเราควรจะแนะนำเขาอย่างไรครับก็ไปขโมยเงินภาษีเงินภาษีก็เงินของรัฐบาลเราไปขโมยมันก็เท่ากับลักทรัพย์ สองกระทงโกหกด้วยไม่ไรายงานตามความเป็นจริงอมีรายได้หมื่นไปบอกก็ได้แค่สามพันมันก็โกหกข้อที่สี่ก็คือโกหกข้อที่สองก็คือลักทรัพย์เอแล้วยงไงก็บอกเขาสิว่ามันผิดแล้วก็ถ้าถูกจับก็อาจจะถูกติดคุกติดตารางถูกปรับได้คำถามต่อไปจะคุณพิชมน ทุกวันนี้เราเห็นญาติผู้ใหญ่รวมถึงพ่อแม่ของเราต้องประสบปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอันที่จริงเราก็มีความเข้าใจอยู่แล้วว่านี่คือสัจธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็เสียใจ เครียดวิตกกังวลเหมือนเราเข้าใจแต่เรารับมือกับมันไม่ได้จริงๆอยากเรียนถามพระอาจารย์เราจะต้องฝึกอย่างไรถึงจะเอาชนะความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ได้รบกวนพระอาจารย์โปรดชี้แนะค่ะก็ฝึกสมาธิไงฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็เฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ใครแก่ใครเจ็บเราก็เฉยได้ตอนนี้เฉยไม่ได้เพราะใจไม่ไมสงบ มันมีกิเลสความอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นพอเห็นก็เป็นอย่างนั้นก็เศร้าใจแต่ถ้าเราหยุดหยุดกิเลสได้หยุดความอยากได้ใจสงบมันก็เฉยเฉยไปก็รู่วมเป็นอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเศร้าก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ใจจะไม่เศร้าถ้ารู้จักทําใจให้เฉย การทำสมาธิก็คือการหยุดความเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหยุดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันไม่ทํางานพอไปเจอเหตุการณ์มันก็เฉยๆไปแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปเราทําอะไรได้นะเศร้าเราไปเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่าก็ เ, าเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีเราไปเศร้าให้มันเสียเวลาทําไม นี่มันห้ามใจไม่ได้เพราะไม่ฝึกใจไม่ฝึกสมาธินั่นเองอคำถามต่อไปจาก YouTube คุณเอพระอาจารย์มีหลักธรรมใดในการเทศสอนทุกวันโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยก็คิดว่าคุยกันไงมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนก็คุยกันไปมีอะไรอยากจะพูดก็เล่ากันไปคุยกันไปถามสาระทุกสุขดิบกันไปค่ะคุณเสต้องการเป็นแบบอย่างเพื่อใน ใช้ในการปฏิบัติในทุกๆวันใช่ไหมใช่เวลาเราคุยกับเพื่อนคุยมันชั่วโมงใช่ไหมทําไมคุยกันได้เป็นชั่วโมงก็เวลาเท่กับคุยเหมือนกันก็คนฟังก็เหมือนเป็นเพื่อนมามาแล้วเราก็มีอะไรก็เล่าให้เขฟังไปแน้วอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่าไปแล้วถ้า ไม่รู้จะเรื่องอะไรก็ถามเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรบางทีก็ให้เขาถามมาอย่างเมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำถามมีคนถามอยากจะรู้วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติอย่างไรก็เลยเล่าเรื่องสติปัฏฐานสี่ไปตลอด นี่ก็เป็นการเล่ากันเล่าประสบการณ์เล่าความรู้ที่เรามีอยู่ให้คนที่เขาอยากจะรู้เหมือนเราไปเที่ยวไหนกลับมาบ้านเจอเพื่อนก็เราโอ้ไปอยู่ที่นั่นสนุกอย่างนี้สนุกอย่างนี้ไปกินที่นั่นกินที่นี่ก็เล่ากันไปพูดไปตามธรรมชาติตอนตอน้นก็นเราก็เทศแบบนี้ไม่เป็นตอนต้นกลัวไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยต้องไปตั้งข้อตั้งหัวไปคอยจดคอยจํยจำพอเวลาพูดจริงๆลืมหมด <laughs> ตอนนี้เราไม่ไปตั้งแนึกอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยมันพูดออกมาเพียงแต่คอยดูว่ามันอยู่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดถ้าเรื่องไร้สาระมันจะเละเทก็คอยหยุดมันให้มันอยู่ในกรอบของของธรรมะของเหตุของผลของสาระประโยชน์คำถามต่อไปจากเฟ e บ o o กคุณประทวนถ้าเราไปรักษาศีลแที่วัด แล้วกลับมาอาบน้ำที่บ้านค่อยกลับออกไปจะผิดข้อวัดไหมคะก็มันพูดตามหลัก้วมันต้องการให้ปิดประตูตีหมาตีแมวถ้ายังไปเปิดถ้ามันไปอาบน้ำอยู่เดี๋ยวมันก็หนีไปเที่ยวเล่นสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ยัย น, นทางที่ดีอยากกลับดีกว่าอาบมันที่วัดน่นะเพราะว่าการไปอยู่วัดก็เพื่อที่จะ หยุดความอยากของเราหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสบางทีเดี๋ยวกลับมาแว บ, บที่บ้านเดี๋ยวอาจจะเผลอเปิดทีวีดูสัหน่อยเปิดตู้เย็นดูอะไรสักหน่อยก่อนไม่ใช่มาอาบน้ําอย่างเดียวมันจะหาเรื่องกิเลมันจะหาช่องมันรมามันก็ถึงไม่ให้ไปไหนไปอยู่วัดแล้วก็อยู่วัดให้มันครบทั้งวันทั้งคืนที่พวกที่ถือศีลอุโบสถนี้เขาตั้งแต่สมาทานศีลก็จะอยู่จนแสงสว่าง ไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกจากวัดไป ข, ขังตัวเองอยู่ในโบสถ์นี่นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมไปนอนในโบสถ์นั่นเขาถึงเรียกว่าอุโบสถศีลกันย์มันเป็นศีลแปดแต่เนื่องจากเราไปรักษาในโบสถ์ในอุโบสถเราก็เลยเรียกว่าเป็นอุโบสถศีลถ้าเรารักษาที่บ้านก็เล็กเราก็เรียกว่าศีลแปดเฉยๆได้ทั้งนั้นที่รักษาที่บ้านมันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีกิลเลสมีตัว มีตัวที่จะมาทำให้เราผิดศีลได้ง่ายกว่าการไปรักษาศีลที่ที่โบสถ์ที่วัดเนี่ยคนที่ไม่มีที่รักษาศีลที่ง่ายก็เลยไปรักษาศีลที่วัดกันเพราะอยู่ที่บ้านคนที่บ้านเขาไม่กินข้าวเขากินข้าวเย็นเราไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเขาเห็นเราไม่กินเขาก็จะเขาก็งดอย่างเขาจะมาชวนเรากินพอเขาชวนเรากินเนี่ยเราก็เกรงใจเขาเอ้าก็อะไรศีลขาดไปแต่ถ้าไปอยู่ที่วัดไม่มีใครกินข้าวอย็นด้วยกันมีแต่นั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันนันก็ถึงให้ไปวัดกันถ้าอยากจะรักษาศีลอยากจะฝึกจิต เรื่องร่างกายช่างมานะอาบน้ำที่อาบน้าที่วัดก็ได้ที่วัดก็มีห้องน้ำไม่อาบเหมือนกันคำถามต่อไปจะคุณนิพพิทาลูกศิษย์มีน้องสาวใช้เงินเกินตัวมักขอเพิ่มจากคุณแม่หรือจากเราเสมอเสมอสงสารคุณแม่เพราะท่านก็แก่แล้วตัวเราเคยเตือนว่า ทำงานแล้วเรียนจบก็สูงแต่ว่าไปเบียดเบียนคุณแม่เหมือนอักตันยูนับจากนั้นมาเป็นปีที่น้องสาวโกรธไม่พูดคุยกับเราอีกเลยทุกวันนี้ไม่รู้จะใช้วิธีไหนที่จะทําให้เขาคิดได้เพราะไม่สามารถคุยกันได้เหมือนเดิมเจ้าค่ะทําทไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเราก็ต้องดูว่าอะไรทําได้ก็ทําไปอะไรทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าทําไม่ได้ ยกภูเขาได้ไหมยกไม่ได้ใช่ไหมเราก็ยอมรับเราก็ไม่ไปยกยกลดได้ไหมนึกอยากจะยกลดขึ้นมาก็ยกมันขึ้นมาได้ไหมยกไม่ได้ยกไม่ ไ, ได้ก็ต้องไม่ยกมันงั้นอยากจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้ก็อย่าไปทำมันคำถามต่อไปจะคุณแมวเหมียวคำว่าสัมภเวสีมีอยู่จริงหรือไม่เจ้าคะ ก็ว่าะเวสสามภเวสีก็คือผู้ที่ยังต้องไปเกิดอยู่ไม่ใช่เหลยครับดวงวิญญาณทุกดวงที่ยังไปเกิดเขาเรียกว่าเป็นสามภเวสีพวกที่ไม่ไปเกิดก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ไปเกิดอีกเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่นิพพานแต่ดวงดวงวิญญาณที่ยังไปเกิดอยู่นี้ยังอยู่ในวัฏะสงสารในไตน้ภพ ในการมาพบรูปรพบอรูปรพบอยู่อย่างวิญญาณของพวกเราเนี่ยพอร่างกายตายไปวิญญาณเราก็เป็นซ้ำเปรเวสีไปไปเป็นเทพเป็นอะไรไปเป็นเปรตเป็นนรกไปแล้วแต่บุญตะบาปที่เราทำกันคำถามต่อไปจากคุณสุขใจถ้าเราขายสินค้าไปให้ลูกค้าโดยผ่านในหน้า และในหน้าให้บวกค่าในหน้าและค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานจัดซื้อในบริษัทลูกค้าลงไปในสินค้าด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานจัดซื้อนั้นจะไปใช้จ่ายอย่างไรแง่ดีหรือแง่ไม่ดีถ้าเราขายสินค้าโดยบวกค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานจัดซื้อไปด้วยนี้จะบาปไหมคะเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้มันอยู่ที่ ก็าเรียกอะไรออยู่ที่ก ล, ลเม็ดของการค้าขายทางตลาดถ้าตรงไปตรงมามันก็ไม่น่าจะบาปอ่าถ้ามีการหลอกลวงกันมันก็ถึงจะบาปเราก็วิเคราะห์ได้อย่างนั้นถ้ามันมีความจําเป็นมีค่าใช้ใจ่ายในสินค้านี้อ่าเช่นเวลาสง่งส่งของก็ต้องคิดค่าส่งของคิดค่าแหวนใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราจะต้องหักใจ่ายไป สินค้าของเราเราก็รู้ว่าเรามีราคาเท่านี้แต่เรามีรายจ่ายเพิ่มเราก็ต้องบวกเข้าไปก็ต้องแจ้งรายละเอียดให้คนที่ซื้อเขารู้ก็แล้วกันเขาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปใช้กับที่อื่นทำไมที่อื่นราคาเขาถูกกว่าของเราเราก็จะได้แจ้งเขาได้ว่าเพราะของเรามันต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรต่างๆเหล่านีน้ถ้าตรงไปตรงมาก็ไม่บาป ถ้าถ้ามีการหลอกลวงกันเนะี่ยมันถึงจะบาปคำถามต่อไปจะคุณพิทักษ์ในการภาวนาเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสติเรามีกําลังมากขึ้นและการเจริญสติของเรามีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมคิดน้อยลงเนี่ยยิ่งคิดน้อยลงอยู่กับเรื่องที่เราสั่งให้มันอยู่ได้เช่นให้มันอยู่กับพุทธโธหรืออยู่ให้วางให้ว่างไม่ให้มันคิดเนี่ย ถ้าคิดน้อยลงไปเผอน้อยลงไปอยู่กับพุโทโธได้นานอยู่กับความบริกรรมว่างหรือวางหรือบทสวดมนต์ได้นานไม่ไปแว บ, บไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็แสดงว่าสติเราดีขึ้นไปหรือต่อไปอาจจะไม่แว บ, บไปเลยอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอยู่กับบทสวดมนต์ไปอย่างเดียวคำถามต่อไปจะคุณทวิชา จิตสงบเบานั่งฟังธรรมะพระอาจารย์แต่ยังมีความคิดเข้ามาจะต้องทําอย่างไรกับความคิดที่ยังมีเข้ามาคะออ ก, ก็ถ้าอยากจะให้มันสงบมากกว่านั้นก็อย่าไปฟังปิดเสียงธรรมะแล้วก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าคอยควบคุมอย่าให้มันไปคิดบังคับให้มันอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งห ร, หรือทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่ความถนัดเนี่ย คำถามต่อไปจะคุณ kr หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมเข้าใจเองว่าการภาวนาเป็นอุบายเป็นวิธีไงอุบายก็คือวิธีทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดภาวนามีสองขั้นขั้นที่หนึ่งทำให้สงบขั้นที่สองทำให้ฉลาดฉลาดก็ให้เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุ ข, ของความสุข เพื่อจะได้เดินไปในทางที่ถูกแทนที่จะเดินไปในทางที่ทุกข์ก็จะได้เดินไปในทางที่สุขทุกข์คืออะไรทุกข์คือราบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้อยากเราจะทุกข์ถ้าอยากจะสุขสุขคืออะไรสุขคือความสงบจะทํำไงถึงจะสงบก็อย่าไปอยากได้อะไรทําใจมีสติมีปัญญามีสติทําใจให้สงบก็จะได้ความสุขขึ้นมา อันนี้คือปัญญาก่อนจะไปปัญญาได้ต้องทําใจให้สงบก่อนถ้าใจไม่สงบมันคิดไม่ออกมันจะคิดแต่หาขนมนมเนยหาแฟนอยู่อย่างเดียวยันต้องให้มันหยุดคิดเรื่องราวเหล่า น, นี้ก่อนเมื่อหยุดแล้วถึงดึงให้มันมาคิดทางปัญญาทางธรรมะต่อไปให้มันไปหาให้มันปล่อยวางให้มันเลิกหาความทุกข์แล้วให้มาหาความสุขกัน คำถามต่อไปจะคุณ practice ดมะในการกำหนดความรู้ตัวอยู่ภายในเคยฟังจากครูบาอาจารย์หลายองค์ว่าตำแหน่งตัวรู้อยู่ที่อกแต่ของโยมรู้สึกเด่นอยู่ที่หว่างคิ้วไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรักษาในระหว่างหลับตาหรือลืมตาก็ตามอันนี้ต้องแก้ไขไหมคะอ๋ออยู่ที่ไหนก็ได้มันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกของเราคิดไปเอง อาจริงมันไม่มีที่อยู่เราตัวรู้มันไม่มีขนาดไม่มีความลึกความแคบความกวาม้างความสูงเหมือนร่างกายเราไปคิดมันเองว่ามันอยู่ตรงนั้นความรู้มันเป็นมันรู้อะเราพูดแค่ น, นี้เราก็รู้ใช่ไหมเนี่ยที่เรารับรู้พยักหน้าก็คือตัวรู้นั่นแหะเป็นตัวพยักหน้าไม่ใช่ตัวร่างกายตัวร่างกายเป็นเพียงตัวตัวรับคําสั่งจากตัวรู้ที่สั่งให้พยักหน้ามันก็พยักหน้า แต่ตัวลูกมันไม่มีที่หรอกหมดแล้วเลยมีอีกคะ่ะต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวชิรพรลูกไม่ค่อยภาวนาแต่ทำไมตอนนี้เวลานอนหลับจะฝันเห็นแต่ร่างที่เป็นอสุภะเห็นร่างเปื่อยเน่าบางคืนฝันเห็นร่างหลวงปู่ชอบกำลังถูกเผาไฟเหลือแต่ลำไส้สดๆลูกต้องทำยังไงต่อคะก็มาคิดตางตื่นเนี่ย คิดถึงแฟนคิดถึงคนที่เราลักว่าต่อไปร่างกายเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้คิดถึงร่างกายของเราเอเพื่อเราจะได้ปร่งจะได้วางว่าต่อไปเราจะได้ไม่ยึดติดกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามต้องคิดบ่อยๆถ้าเรายังยึดติดอยู่ก็คิดไปเรื่อยๆคิดจนกว่ามันจะไม่ยึดติดคิดจนกว่ามันจะยอมรับว่าต่อไปร่างกายของคนทุกคนก็จะต้องกลายเป็นซากศพไป คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแหม่มโพแก้วบางครั้งนั่งหลับตาแล้วมีอาการเบียนหัวหมุนไปหมุนมาเกิดจากอะไรคะจินแล้วปุงแต่งไปก็ได้บางทีงนะพอหลับตามันก็ปรุงว่าหมุนมันก็หมุนพิธีจะไม่มันหมุนก็ต้องพุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจกับอาการหมุนของมันออาการหมุนก็เป็นอาการปรุงแต่งของใจเหมือนกันะ หรือถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหาหมอถ้าหลับตาแล้วหมุนก็ให้ไปหมอชอ็อเช็คดูเส้นประสาทหรืออะไรมันอาจจะมีปัญหาก็ได้มันเลยทำให้มีอาการหมุนขึ้นมาถ้ามันหมุนเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายก็อาจจะต้องใช้พุทโธพุทโธอย่าไปสนใจมันหมุนก็ปล่อยมันหมุนไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามหมุนมัน เรามาอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันหมุนมันก็ปล่อยมันหมุนไปเราก็พุโทโธของเราไปเดี๋ยวใครชนะถ้าเราพุโทโธชนะมันก็หยุดหมุนเองถ้าพุโทโธแพ้ก็ทนไม่ไหวก็ต้องลืมตาขึ้นมาพอลืมตาแล้วก็หายหมุนใช่ไหมคําถามต่อไปจะคุณ kr หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งฝึกหยุดความคิดเมื่อความคิดหยุดมีแต่ความว่าง ปัญญาจะชำระกิเลสจะเกิดขึ้นในใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกความว่างก็แค่ความว่างความว่างไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญาต้องคิดคิดว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากถ้าอยากจะให้ทุกข์หายไปก็หยุดความอยากอันนี้เรียกว่าปัญญาคำถามต่อไปจะคุณทันทิพย์ลองปฏิบัต ดูคาถาเรียกทรัพย์ของของท่านพระอาจารย์หนึ่งบอกให้สวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิด้วยคาถาเรียกเงินลองปฏิบัติ ด, ดูว่าจะจริงไหมทำได้สองสัปดาห์ผลออกมาคือใจนิ่งไม่อยากได้อะไรนั่นแหละเป็นูบายคูบาอาจารย์ไงท่านรู้ว่าพวกเรามันยังอยากได้ทรัพย์กันอยู่ท่านก็เลยหลอกเราว่าสวดมนต์ไปแล้วจะได้ทรัพย์ คามจริงมันจะได้ความสงบพอได้ความสงบได้ความสุขมันก็จะไม่อยากได้ทรัพย์อนี้แต่ถ้าบอกนั่งนั่งนอนได้ความสงบมันก็ไม่อยากจะสวดเพราะไม่รู้ว่าความสงบเป็นไงส่วนใหญ่มันจะกลัวความสงบกันคิดว่าความสงบคือความตายใช่ไหมพอใครพูดถึงความสงบนี้คิดว่ากูจะตายแล้วเนี่ยเลยไม่อยากจะสงบกันแต่ความจริงความสงบนี่ไม่ใช่เป็นความตายความสงบก็คือความหยุดคิดน การหยุดคิดไม่ได้ทําให้เราตายคนเข้าใจผิดกันเลยกลัวความสงบกันครูบาอาจารย์เลยต้องหลอกว่าสวดเราจะรวยกันเลยสวยกันใหญ่ <laughs> เลยเพอสวดแล้วใจสงบมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่ารวยก็เลยไม่รวยดีกว่าเอาความสงบดีกว่าคําถามต่อไปจะคุณไพโรธดูหนังสืออสุภะอยู่ เป็นประจำแต่พอเอาเข้าจริงๆพอเจอคุณสวยก็หักห้ามใจไม่ให้มีกิเลสแต่แต่ก็ทําแต่ก็ทําไม่เพราะกิเลสเรายังหนาอยู่ใช่ไหมครับเพราะเราไม่เอามาจดจำไงเวลาดูก็เห็นพอปิดหนังสือปั๊บก็หายไปต้องอามานึกต่อเหมือนะท่องสูตรคูนอย่างเงี้ยต้องต้องหัดท่องสูตรคูนะท่องกอไก่ขอไข่ไป จนกระทั่งมันจําได้แล้วต่อไปเวลาเจอของสวยของงามมันก็จะโผล่ขึ้นมาอสุภะมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเหมือนเวลาเราอยากจะคิดเลขตัวสูตรคูนมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเวลาอยากจะอ่านหนังสือกไก่ขไข่ที่เราท่องไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนี่เราไม่เอามาท่องกันเขาเนี้ยไม่เอามาจดมาจํากันเปิดดวงสวดดูแป๊บเดียวแล้วก็ปิดและ้ะพอปิดแล้วก็ลืมละแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อ พอไปเห็นของสวยของงามก็เลยไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเพราะมันยังไม่ฝังอยู่ในใจของเราเราต้องเอามาฝังไว้ในใจเหมือนปลูกต้นไม้เอามาปลูกให้มันมันรากติดดินแล้วมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปเราก็ต้องเอามาปลูกในใจเราให้มันเจริญงอกงามเวลาต้องการที่จะใช้มันมันก็โผล่ ข, ขึ้นมาทันทีเหมือนสูตรคูนอยากจะคูนสองคูนสองเป็นไงนี้ก็ นึกปั๊บมันก็มาคำตอบก็มาเลยฉั้นต้องพยายามดูบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแนะ่ะมันถึงจะเข้าใจถ้าแวบๆบแบบสงแว บ, บนี้มันไม่เข้าหรอกเดี๋ยวก็หายไปละจางเหมือนควันไฟไป อ, อ้าคำถามอีกสองสามคำถามได้อยค่ะคำถามต่อไปจะคุณวันนิพาน โยมีความศรัทธาในธรรมะจากพระอาจารย์และอีกหลายหลายอาจารย์แต่โยมีความศรัทธากับพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งโดยมีโอกาสร่วมบุญบริจาคปัจจัยถวายท่านในการเผยแพร่ธรรมะและสร้างถาวรลวัตถุในวัดอยากถามพระอาจารย์ว่าจำเป็นหรือไม่ในการถวายปัจจัยให้ท่านเพื่อนำไปทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเจ้าคะ่ะ การทำบุญทำทานมันก็แล้วแต่ศรัทธาของเราเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เอาไปทำประโยชน์หรือถ้าเราไม่รู้จักทำประโยชน์เราก็ให้คนอื่นไปทำประโยชน์แทนเราเห็นว่าเขาทำอะไรมีประโยชน์เราก็สนับสนุนเขาไม่ว่าจะทำอะไรกับใครที่ไหนก็ได้ทำกับอาจารย์ก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้เช่งตอนนี้ทำกับประเทศลาวก็ได้ ชาวลาวเขาน้ำท่วมบ้านพังเดือดร้อนเสียหายเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งไปให้เขาบ้างก็ได้อันนี้ทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำที่ไหนกับใครเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอาหารของใจทำให้ใจมีความสุขเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจไปสวรรค์ต่อไปเวลาตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบาปค่ะ อีกสองคำถามค่ะหมดแนละ้วเอาอคำถามเดียวอ๋อค่ะจากคุณเอสตั้งแต่ฝึกสติมาแล้วไปนั่งสมาธิสังเกตความสงบมีหลายระดับแบบรู้ตัวแต่ฟุ้งด้วยเล็กน้อยและแบบรู้ตัวเด่นขึ้นมาและชัดเจนต้องฝึกให้รู้ตัวเด่นให้ชัดเจนตลอดเวลาจึงค่อยเดินปัญญาต่อใช่ไหมคะก็ให้มันสงบให้มันชางานก่อน การทับใจให้สงบเพราะเวลาเดินปัญญาต้องใช้ความคิดถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเกิดเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ทำให้ฟุ้งซ่านได้ถ้ามีสติที่หยุดใจได้ก็จะหยุดความฟุ้งซ่านได้ถ้ายังไม่มีสติพอที่จะหยุดใจได้พอฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดไม่ได้จึงไม่นิยมที่จะไปทางปัญญาจนกว่าเราจะสามารถควบคุมความคิดได้ต้องมีให้ป็นชนานาญในสมาธิก่อน เลกี่คำถามนะเอยเยอะใช่ไห ม, ถ, มถ้าคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณชัยยงค่ะระหว่างวันที่ไม่ใช้ความคิดเช่นอาบน้ำกวาดพื้นบริกรรมพุทโธนั้นต้องกำหนดลงที่ฐานจิตเหมือนขณะนั่งสมาธิหรือไม่ขอรับไม่ต้องหอให้อยู่กับคาพุทโธไปอย่างเดียวให้อยู่กับคำพุทโธพุทโธคือฐานของของของสติ